พวกเราอาจจะสังเกตหรือ เ, เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องลาธทํานองนี้ก็คือว่าคนซึ่งมีความขยังขันแข็งมีความเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมเรียกว่าทุ่มเท ด้วยความเสียสละแต่ว่าเราก็เป็นที่เป็นที่รักใคร่ของผู้คนทั่วไปเราชื่นชม ในเรื่องความสื่อาสารความเสีสละความไม่เห็นแก่ตัวความเพื่ออธรรแต่ว่ากลับมีปัญหากับเพื่อรวมงานหรือว่าผู้คนที่เขาทำงานด้วยโดยที่คนคนเหล่านั้นก็ ก็เป็นคนดีเหมือนกันก็เป็นคนทำงานก็เป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจเหมือนกันก็เรียกว่าดีทั้งสองฝ่ายแต่ว่ากลับอยู่กลับกลายเป็นคนละพวกโตวแยงกันทะเลาะกันหรือทำงานด้วยกันไม่ได้ นี่ก็คนกรณีแบบนี้นี่มีมีมีอยู่หลายกรณีนะอย่างเธอเอ่ยชื่อออกมาก็อาจจะนึกออกนะอยเช่นคุณพิรทิพยนะ์คุณปุระชัยแล้วก็ อันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเป็นที่เป็นข่าวนะแต่ว่าก็ก็พูดกันในหมู่คนที่ทำงานใกล้ชิดคุณดินจารุวันแล้วก็จะรวมคุณจำลองเข้าไปด้วยทัมดที่กล่าวมาก็เรียกว่าเป็นคนที่สังคมยอมรับเรียว่าเป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมสูงยอมรับนับถือหรือว่าชื่นชม ่งความเชื่สระความสมถะความไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ส่วนรวมก็เรียก ว, ว่าถ้าถ้าถ้าทำโพนี่ก็ก็อยู่ในอันดับต้นๆอย่างคุณตูรใชัยนี่ก็ก็ททำโพล่าสุดก็เป็นอันดับต้นของผู้ที่สมควรจะเป็นนายก อันดับหนึ่งอันดับสองเลยแต่ว่าก็มกเัเป็นข่าวเป็นคราวว่าทํางานร่วมกคนอื่นไม่ค่อยได้หรือว่าเกิดปากเสียงกับคนในแวดวงเดียวกันและคนเหล่านั้นก็เป็นคนที่สังคมก็ยอมแล ว, ว่าเป็นคนดีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ดังไม่ดังเท่า นั่นนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าศึกษาว่าคนดีด้วยกันทำไมถึงทำงานด้วยกันไม่ได้ก็ประเอ ม, เมื่อวันสองวันก็ได้อ่านบทความเขาเขียนถึงคนในตำนานคือกวนอูเขา อ, อธิบาย บุ ค, คลิกแล้วก็ลักษณะของกลอนอูนี่ได้ได้คล้ายคลึงกับกรณนที่พูดถึงก็คือว่ากลนนั้นเป็นกนที่มีความซื่อสัตย์จริงเมื่อได้เปนของเมืองเก่งติ๋วก็ประชาชนก็ยอมก็เรื่องคอรบลักมากเพราะว่าสามารถครองบ้าง ของบ้านเมืองให้มีความสุขสาราบปรามจนผู้ลอจยกากรรมไม่มีการลินาทานเล่นกลู น, นูก็อยู่อย่างสมัตทํางานด้วยความแรงกันแข็งเรื่องความสื่อสัตนี่ก็รู้เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าก็เพราะเนื่องว่าตัวเีนคนสื่อสัตแล้วก็เพราะว่าผู้คนขอลบรักนับถือคนููก็เลยเป็นคนที่มีความ เรียกว่าหลงตนก็ได้หรือว่าถือดีในตนเองเพราะฉะนั้นก็จะไม่ฟังใครมีฟังใครแล้วก็ก็มีปัญหามีปัญหาทั้งกับมีปัญหากับข้าราชการซึ่งก็ไม่ใช่พวกกังขินอย่างเดียวข้าราชการที่ดีก็มีแล้วก็มีปัญหากับ เจ้าเมืองต่างๆซึ่งอยู่ในระดับเดียวกวนอูความถือตัวของกวนอูนี่ก็อย่างเช่นซุนกวนมาขอเอาลูกเอาลูกชายของซุนกวนมาขอลูกสาวกวนอูกวนอูก็พูดไปว่า ลูปสุนักจะมาคู่ควรกับลูกรักจัดสีหรือก็ทำให้สุนย์กลวนมีความแค้นแล้วก็หาทางที่จะจัดการกับกวนอู ท, ท, ทั้งที่ของเบงกะเตือได้แล้วว่าต้องให้สามาคีกับสุนกวนวเอาไว้จะได้ร่วมมือกันต่อสู้กับโจโฉได้ แต่ว่าคนอูนื่งจากมีความมีความมั่นใจตนเองมากแล้วก็อาจจะมองใครได้ไปกับตัวเองหมดหรือเพว่าคือดูถูกคนื่อนไปนหมดว่าไม่ดีเท่าตัวเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างศัตรูเอาไวเ้เยอะ ส่นวนกวนก็หาลูกน้องสง่งส่งคนไปไปพักดีกับกวนอูแล้วก็หลอกให้ออกไปออกไปทำศึกกันนอกเมืองท้ให้เมืมองเก่งจิ๋วก็ว่างก็ถูกส่นวนกวนยึดไว้ได้ก็เลยถูกกระหนาดจากศัตรูทั้งทิศเหนือและทิศใต้จิศใต้นี่ก็ จึงจีก๋ก็เสียเมืองไปแล้วทิดเหนือก็สัตว์ูวางติดพันอยู่กวอูไปขอให้เมืองอื่นมาช่วยเขาก็ไม่มาช่วยนะเพราะว่าไม่ชอบนะคุณเพืองกวนอูในท่สุกนวนก็เสียบ้านเสียเมืองไปถูกจับได้ อันนี้ก็ก็เป็นเรื่องราวซึ่งก็ใกล้เขียงนะนะกับคนดีหลายๆคนในบ้านเมืองในสังคมปัจจุบันนะซึ่งชาวบ้านก็ยึดย่องนับถือนะคนเหล่านี้ที่เอ่ยชื่อมาคนไทยแนละที่เอ่ยชื่อมากนะ็ที่บอกถ้าถ้าไปสอบถามว่อเห็นิงของชาวบ้านประชาชนก็เลยว่า ติดอันดับต้นๆแต่ว่ามีปัญหากับกับเพื่อนร่วม ง, งานกับคนในแวดวงเดียวกันซึ่งก็ไม่ใช่เป็นคนคนเลวร้ายอะไรเป็นคนดีแต่อาจจะไม่ดังเท่าก็ก็กรณีณหนกูน ก, นก็อาจจะสามารถอธิบายถึงเหตุการณ์ ที่เป็นอยู่กับคนเหล่านี้ได้ก็คือว่าเมื่อมีความเนื่องจากตัวนี้มีความซื่อสัตย์แล้วก็ทํางานได้สําเร็จทํางานได้สําเร็จทํางานได้สําเร็จในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงว่าชาวบ้านชื่นชมด้วยชาวบ้านชื่นชมทํางานสําเร็จแล้วก็มั่นใจในความดีความซื่อสัตย์ของตัว ก็เลยเห็นคนอื่นนั้นด้อยหรือว่าไม่ดีเท่าตัว mm hmm. หรืออจะเห็นคนอื่นนั้นแย่ไปเลยก็ได้ทั้งในเรื่องของคุณธรรม mm hmm. แล้วก็ในเรื่องความไม่เสียสละไม่สื่อสัตว์ ตรงเนี้ยก็ทำให้ปฏิบัติต่อเขาอย่างดูถูกดูแคลนและขณะเดียวกันเนื่องจากตัวอย่างนี้มีความเชื่อมมาในความดีความเก่งตัวเวลาทำอะไรก็ทำไปเลยไม่ปรึกษาหาลือใครอาจจะไปสร้างภาระให้กับคนอื่นต่อไปหรือทำให้คนอื่นนั้นถูกถูกสังคมตาหน้าว่าไม่เข้าท่า คือคนหนึ่งเขาก็เลยเสียหน้าไปหรือว่าถูกสังคมคางแคลงทาง้านที่เขาอาจจะมีเหตุผล ว, ว่าทำไมถึงไม่ทันอย่างนั้นอาจจะทำอะไรได้ช้าเาะต้องผ่านการปรึกษาหารือหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสังคมก็ไม่เข้าใจเมื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ก็ทำให้ ร่มมีความกินหะนังแข่งใจซึ่งกันและกันมากขึ้นก็ทำให้อยู่ด้วยกันได้ยากจนต้องกลายเป็นปฏิปักษ์กันคนรุ่คนละฝ่ายก็มีอันนี้นก็เป็นอุทาหอณให้อย่างเป็นอย่างดีนะสำหรั บ, ส ำ, รบสำหรับเราว่านะในการทำความดี ในการทำงานด้วยความเสีสระซื่อสัตว์นั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือความความหลงตนหลงตนนี่รวมไปถึงความมั่นใจในตนเองอย่างสูงด้วยมันไปได้วยกันความมั่นใจในตนเองจะมั่นใจในความในคุณธรรมของตัวเองหรือมั่นใจในในความสามารถของตัวเองก็แล้วแต่ มันก็ไอ้คำใหเกิดมานะคือความมหลงต้นได้มากขึ้นว่าฉันเก่งฉันทําเดินไม่ต้องปรึกษาใครก็ได้คิดอะไรได้ก็ทําไปเลยโดยไม่สนใจคนหนึ่งเขาจะเดือดร้อนหรือคนหน่งเขาจะถูกคลางแคลงย่างไงบ้างหรือถูกตําหนิอย่างไงบ้างหรืออาจจะคิดไปกระทั่งว่าใครที่ไม่เดือดฉันนี่ก็เป็นคนที่มีมีวาระแสงเล้น มีเวลาซ่อนเล่นหรืออาจจะไม่ซื่อไปเลยก็ได้ใครที่ไม่เห็นด้วยกับฉันก็จะถูกตีตาว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์มันก็เรียกว่าไอ้ความหลงตองทำให้เกิดความวิกลาดในเรื่องของการมองการรับรู้ผู้คนเกิดอคติซึ่งก็ทำให้เกิดความสุดเป็นปฏิปักษ์กันมากขึ้น บางคนนี่ก็หนักขั้นเว่าเมื่อเชื่อมาในความดีของตัวแล้วนี่ทำอะไรไปก็กลายเป็นถูกไปหมดแนแกระทั่งแมวว่าคนเขจะดือดร้อน ย, ยังไงก็ถือว่าต้องจำเป็นจำเป็นเพื่อเพื่อเพื่อสิ่งดีงามของส่วนรวมอย่างนี้ก็จะนักการเมืองที่มีความคิดแบบนี้ก็อันตรายมากคนอย่างพลพศ อยางพันพน้นนี้ก็เป็นคนที่น่าศึกษาเป็นคนซึ่งมีคนที่เป็นคนที่มีความความสงา่าเป็นคนที่มีความสมระเป็นคนซึ่งเรียกถ้าเรียกว่าในสายตาคนทั่วไปก็เหมือนกับเหมือนกับพระเลยเป็นคนที่ไม่มีไม่มีคนไม่มีใครตั้งข้อสงสัย ในความสมถะในความเรียบง่ายการพูดจานี้ก็เรียกว่ามีมีสง่ามากนักข่าวนักข่าวรวั้วนักการเหมือนต่างชาติที่พบปาพบกพันพูก็ออกป่าเป็นเสียเดียวกันเป็นคนที่พิเศษไม่เหมือนใครเป็นคนที่สงา่า แล้วก็ดูหน้าศรัทธามากแมแต่เสียงโน้ออยก็ยอมรับเลยเสียงโน้ออยังผงผางพูดจาผงผางนะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จักแสดงไม่รู้เรียกว่าไม่รู้จักเก็บความรู้สึกไม่มีท่าทีที่ที่เประณีตถ้าตอนที่เป็นเจ้าจะพ้นพ้ น, นี้เรียกว่าเรียบร้อย เหมือนกับพวกมหาเขาก็เป็นจบเขาก็เป็นเด็กวัดมาก่อนเดียเป็นคนเดียวเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์คนเดียวในในคำเหนียนที่ไม่ไม่ติดคุกเพราะไม่มีใครคิดว่านี่จะเป็นเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าเขานี่กลายเป็นทรัลล่าแล้วก็ เป็นผู้ซึ่งทำการล้างผ่านประเทศชาติได้อย่างน่ากลัวมากอันนี้พอทิตินั่งในเรื่องคอมมิวนิสต์แล้วก็ในเรื่องความเชื่อว่าตัวนี้ขาวสะอาดบริสุทธินะ์การทำอะไรก็ตามก็เลยไม่มีความสงสัยไม่มีความไม่ิไม่ตั้งข้อสงสัยในการกระทาของตัวเองเลย แะเนื่องจากว่าเชื่อว่าเตืองทําดีเสียสละก็เลยคิดว่าก็เลยมั่นใจว่าที่ทํานั้นมันถูกหมดอันนี้น่ากลัวแต่เราไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้เอาแค่ว่าเชื่อมาในความดีความเสียสละแล้วก็หลงเพราะว่าชาวบ้านเขาชื่นชมศรัทธานักถือเราเราก็เลยก็เลยทําทุกอย่างแบบ แบบลุยแต่คนเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังคนที่ทำความดีความดีนี่ก็อาจจะทำให้เปิดความมั่นใจในตนเองสูงตรงนัน้นเปิดช่องให้ให้มานะซึ่งเป็นกิเลสอย่างหนึง่งที่เข้ามาแทรกได้มันก็เป็นกิเลสที่ละเอียดประหนีนะ่ความหลงตัวซึ่งอาจจะน่ากลัวมากกว่า ให้ความความเห็นแก่ตัวที่เป็นความโลภว่าไอ้กิเลสนี่มันมันเห็นได้ชัดเราเองก็จะรู้ว่าเออมันไม่ดีนะแต่า จ, าจะห้ามมันไม่ได้แต่ความหลงตัวฉันเป็นคนดีนี่มันมันเนียนมากมันเนียนมาก กิเลสนี่อุบายของกิเลสที่มันที่มันซับซ้อนที่สุดก็คือการที่พรางตัวในล่างของความดีพรางตัวในล่า ง, งความดีอุบายกิเลสนี่หรืออุบายของมานี้ไม่ใช่การมีเสน่ห์เย้ายนใจให้หลงไหลนะ อันนั้นก็เป็นอุบายของมันเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสุดยอดของอูบายเพราะว่าไอ้เสน่ห์ที่ลหลงไหลเ ย, ย้าวยวนเนี่ยเมื่อเราเผลอไปเผลอไปในความเย้าวยวนนั้นเช่นความรอร่อยรอร่อยของเนื้อนหนังหรือว่าเงินทองเราก็จะรู้ว่ามันไม่ดีนะเพียงแต่ว่าห้ามใจไม่ได้ เราก็ร่วมมันไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้เมืองพวกติดยาพวกโกงบ้านโกงเมืองพวกนี้ก็าจะรู้ไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้เพราะว่าเงินทองหรือว่าสิ่งเสรติดมันมีเสน่ห์เย้ายวนมา ก, กๆๆลึกๆก็อาจจะรู้สึกผิดแต่ว่าอันนั้นยังไม่ลุ่เสนอความเย้ายวนนั้นมันไม่ใช่อุบายที่ ที่ประเสริฐที่สุดที่น่ากลัวที่สุดของกิเลสหรือมารอุบาที่น่ากลัวคือการพรางตัวมาในรูปของความดีคือทําชั่วแล้วยังนึกว่าทําดีมันนั้นเนี่ยมันน่ากลัวเพราะคนที่ทํำจะไม่รู้สึกผิดเลยไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกรังแวนระแวงสงสัยเลยในตัวมารน้านี่มันน่ากลัวเพราะว่าความถือตัวความหลงตัวฉันเป็นคนดีก็ทําให้ทําอะไรที่อันตราย ได้โดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้สึกผิดยิ่งคนด่ามัณฑะเลก็ยิ่งรู้สึกว่าฉันทำถูกแล้วไอ้คนนี้มันเสียผลประโยชน์มันก็ต้องไม่พอใจเป็นธรรมดาอย่างคนณูุโรชัยนี่จะมีปัญหากับผู้ที่ทำงานอย่างเช่นในสสสนี่ก็ล้วนในคนดีทั้งนั้นแต่ขัดแจ้งกันเพราะว่าเราแวงว่าไอ้คนนี้เป็นกรรมการสสสเช่นอาจารย์ประเวศคุณไทรบูร หมา อ, อุดมศิลป์หมาประกิตพวกนี้มีแสงเล่นหวังจะมาห า, ป, หาประโยชน์จากเงินทุนในสอสก็เลยขัดแย้งกันตระทังไม่ทำงานด้วยกนนันอันนี้ต้องระวังอันนี้มันมีอี ก, อกคนอีกประเภทหนึ่งนะซึ่ง อาจจะเป็นคนที่ดูเรียบร้อยอ่ อ, อนโยนเป็นมิตรกับผู้คนไปทั่วสมถะไม่ถือตัวถือตนแต่ว่าไม่ยุ่งไม่สนใจกับเรื่องสังคมเลยอันนี้เียว่าแตกต่างกับคนประเทศแรกประเทศแรบนีโอ้ย ง, งานเสียสละ นะทำงานเสสละเพื่ อ, เ, อเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นนะผู้คนยกย่องนับถือแต่ว่าหลงตนกลายเป็นคนที่มั่นใจในตนเองสูงแต่กประเภทหนึ่งนะเป็นคนที่ดูเรียบร้อยนะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมเลย เป็นนักปฏิบัติทำอยู่แบบเรียบง่ายเกื้อเฟือ้อคุณผู้อื่นเป็นคน Nice ใ ไ, ไ, ไม่เป็นที่รู้จักมากของสังคมแต่คนที่ไกลชอบคุ้นเคยแต่ว่าไม่เอาไม่เอากับเรื่องสังคมอะไรเลยใครเขาจะเดือดร้อนยังไงก็ไม่สนใจ แม้กระทั่งว่ามีปัญหาวุ่นวายเกี่ยวเรื่องศ า, าสนาก็ไม่เอาอย่างที่มีมปฏิ์ปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ๆเล ย, เยตอนเกิดปัญหาเรื่องกรณีธรรมกายก็ไม่สนใจก็บอกว่ามันปล่อยให้เ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นกรรมของศัตว์ไปเองในคนเหล่านี้เนี่ยไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว ถ้าถามลึกๆว่าเป็นพ่ออะไรก็อาจจะมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุเนึ่งก็คือกลัวว่าใจจะไม่สงบนะไม่อยากไปยุ่งกับโลกภายนอกเดี๋ยวมันจะําให้ใจไม่สงบอันนี้ดูดูดปันกนะ็ก็เป็นความเพ่งกั่ตัวอีกชนิดหนึ่งนะซึ่ง อาจจะไม่ต่างจากกรณีแรกกรณีแรกนั้นก็เป็นพวกหลงหลงตัวเชื่อมันในความดีอันนี้ก็เป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความหลงตนยึดถือในตัวตนอีกแบบหนึ่งซึ่งถ้าพูดล ง, ลงแล้ก็คือความเห็นแก่ตัวแต่ว่ากรณีที่สองนี้ก็ก็มีอยู่เยอะก็เป็นคนดีเหมือนกันแต่ว่ า, าไม่อยากเกี่ยวข้องกับโลกภายนอก รวมทั้งไม่ไม่คิดที่จะไปทำงานช่วยเหลือผู้ผู้ผู้ผู้อื่นเพราะว่ามันกลัวว่าจิตใจตัวจะจะแตกเปลือนหรือว่าจะไม่บริสุทธิ์หรือว่าจะเกิดความทุกข์มากขึ้นอันนี้ก็เป็นความเห็นจาตัวซึ่งซึ่งต้องต้อ ง, ต, องต้องรู้ทาง เราเนี่ยจะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เจริญสติเจริญสมาธิถือศีลเพ่งครัดหน้านับถือนะแต่ว่ามีความเข้าใจแบบนี้ก็เลยปิดตัวไม่รับรู้ไม่สนใจที่จะช่วยเหลือโลกซึ่งบางทีมันก็ทำให้ตั้งข้อสงสัยว่าคนปฏิบัติธรรมความเห็นกับตัวน่าจะลดลง วความผิดับแค่ก็น่าจะน้อยลงมีความเมตตากรุณามากขึ้นยิ่งปฏิบัติธรรมก็น่าจะมีความเมตตากรุณามากขึ้นแต่ทําไมถึงปิดตัวแล้วก็เมินเฉยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติธรรมก็ต้องระวังเพราะมันก็เป็นกับดักอีกเหมือนกัน กับดักของคนดีที่ทำงานเสียสละจนผู้คนยกย่องสรรเสริญก็คือความหลงตนคกอกับดักของนักปฏิบัติธรรมที่มุง่งขัดเการตนเองก็มีก็คือความความเึ็นกค่ตัวที่มันอยู่ลึกๆนะที่กลัวว่าจิตของตัวเองนี่มันจะกระเพื่อมนะอันนี้ก็ต้องรู้ให้ทัน เพราะว่าปฏิบัติธรรมเรารู้ทันอารมณ์ต่างๆอารมณ์ความรู้สึกเมื่อคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมีรู้ทันหมดแต่บางทีกิเลสตัวใหญ่ๆกับมองไม่เห็นมีความเปนแก่ตัวเพราะกลัวว่าจิตของตัวนี้จะถูกกระทบที่อนปฏิบัติธรรมนี่นะยิ่งถูกยิ่งขัดเกลาไปมาเท่าไหร่ยิ่งต้องมีความพร้อมความกล้า ที่จะเข้าไ ป, ไปเผชิญกับกับความทุกข์หรือว่าแรงเสียดทานมากขึ้นขณะผู้ดูชนคนธรรมดาซึ่งม่ปฏิบัติธรรมเขายังก็ยังสามารถที่จะทนกแรงเสียดทานได้หรือเขาสามารถที่จะเข้าไ ป, ไปเผชิญกับแรงเสียดทานมากๆได้แต่นักปฏิบัติธรรมซึ่งขัดเกลามากมายแล้วกับไม่กล้าไม่พร้อมหรือกลัวที่จะไปเผชิญแรงเสียดทานก็แสดงว่า มันแย่ยู่กับารวาธรรมดาหรือย่ยอยกับปฏิบัติธรรมและแย่อยู่กับคนทั่วไปที่เขไม่ปฏิบัติธรรมคือเราปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องต้องมีภูมิคุ้มกันที่มากกว่าซึ่งกําหมายคําว่าต้องกล้าที่จะไปเชิญกัำลังเสดทานได้ที่แรงกว่าได้หรืออย่างน้อยกล้าที่จะเชิญกำลังเสดทานที่เท่าๆกับที่ชาวบ้านที่ไม่ปฏิบัติธรรมเขาเขาเชิญ ภูมิต้านทานในที่นี้ก็หมายถึงทั้งการมีสติรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่มากระ ท, ทบรักษาใจไม่ให้หวั่นไหวรวมทั้งการที่มีความเมตตากรุณาเห็นแก่ตัวเงน้อยลงเห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นอันนี้ต้องเป็นเครื่องแสดงชีวัดถึงคุณภาพของนักปฏิบัติธรรม แต่ว่าเวลานี้ก็มีความไปเขา้เขาใจไปจนเหมอนม่น้อยว่ายิ่งปฏิบัติทำมาเท่าไรยิ่งต้องเก็บตัวหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับปุณณ์ให้น้อยที่สุดเมื่อกว่า ก, ก, การไปทําเช่นนั้นจะเป็นเครื่องแสดงว่ามีกิเลสมากการไปเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกแสดงว่ามีกิเลสมากก็เลยต้องเก็บตัวมากๆเหมือนเพื่อแสดงเห็นว่าฉันเป็นผู้ที่ละแล้วเป็นผู้ที่ทรงไว้สม่อุเบกขาแต่ลึกๆนี่มันจะเป็นเพราะความกลัว ความกลัวทิ่ใจนี่จะเพิ่มเรื่ อ, อ จ, จะเป็นความหลงตนอีกแบบหนึ่งว่าฉันเป็นผู้ที่ละแล้วต้องการแสดงตัวฉันเป็นผู้ที่สละแล้วเปลี่ยนไปด้อุเบกขาอันนี้ไม่ไหมายคว่าอุเบกขาไม่ดีนะแต่ว่าบางทีอุเบกขามันที่ทำขึ้นจะเป็นอุเบกขาที่ ที่จะเรียกว่าเกิดจากกินเลมากกว่าหรือเป็นความเสแสร้งมากกว่ามันก็พวกที่ต้องการแสดงความปล่อยวางต้องการแสดงความปล่อยวางแต่ที่จริงก็ยังปล่อยวาง <Yeah. S 1> ได้ไม่ไม่ไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่มากหรือที่จริงมัมีความยึดติดหนักกว่าเดิมก็ได้แ ต, ต่ต้องการแสดงความปล่อยวางก็จะไม่ไม่ไม่ไม่เอาอะไรแล้วในเรื่องโลก มแม้กระทั่งละทิ้งซ้ำพซับซั บ, บสมบัติถ้าเรให้ใจก็ยังจะติดอยู่แต่ละทิ้งไปเพื่อเพื่อต้ อ, องการแสดงให้เห็นว่าถึงความปล่อยวางนี่มันก็เป็นกิเละที่ละเอียดนะเป็นเรื่องความยึดติดในความดีแล้วเป็นอุปาทาน แ, แน่นอนตัวชดกใหญ่คือตัวมานณอีกเหมือนกันมานณ์นี่คือความอยากเป็นความยก ความหลงตนอีกแบบหนึ่งเราเจะริสติรู้ทันความคิดต่างๆก็ต้องให้รู้ทันกิเลยตัวใหญ่ๆที่มันแสงอยู่ข้างหลังด้วยบางคนปฏิบัติธรรมก็รู้รู้ทันอารมณ์ต่างๆแต่ว่าไม่รู้ทันความนีิกับตัว เดินจงกลมทั้งวันนะแต่ว่าพอมีลูกมายืมเงินลูกมายืมเงินแค่ไม่กี่ไม่กี่พันโอใจอ่อนให้ยืมไปเสร็จแล้วก็มานั่งก็มาเสียใจว่าไม่น่าให้ยืมเลยเดินจงกลมก็คิด คิดเสียดายเงินนะอันนี้ก็กลายเป็นว่านะเมื่อคนที่เห็นเห็นกวดก็เล็กๆนะแต่มองไม่เห็นก้อนเห็นก้อนใหญ่ๆที่มันอยู่บนพื้นก็คือรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆที่ปุดขึ้นมาปุดแล้วก็หายผุดแล้วก็หายก็รู้แต่ว่าไอตัว ตัวใหญ่ๆตัวกิเลสตัวใหญ่ๆคือความเหม็นแก่ตัวความยึดติดในทรัพย์สมบัติทั้งนั้นที่เราเป็นนักปฏบิบัติทำเป็นแม่ชีแล้วแต่ก็ยังเสียดายเงินเนี่ยทำไมถึงไม่สามารถจะจะปล่อยวางได้ทั้งนที่มันมันเป็นตัวใหญ่ๆก็เพราะว่าไปติดดูว่าไอความยึดติดนมันทําให้มองไม่เห็น แต่นี่เป็นความยึดติดในเรื่องศัพย์ความยึดติดในเรื่องของตัวตนชื่อเสียงหรือความสําคัญว่าเป็นคนดีก็เหมือนกันหรือความยึดติดในเรื่องของการเป็นนักปฏิบัติธรรมมันก็อาจจะทําให้มองไปไม่ทะลุมองไปไม่เห็นก็ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะ มองไปให้ทะลุหรือว่าซื่อสกยกับตัวเองอย่าไปติดดีเพราะความติดดีมันทำให้เรอมอ ง, มอ ง, ม, องมองไม่เห็นตัวกิเลสที่แสงแสงมาในนามของความดีต้องทะลุมอ้อยทะลุให้ได้มันจะมองได้ยังไงมันก็เห็นได้จากความทุกข์ นะเมื่อมีคนเขาไม่สารเสริญเราหรือเมื่อมีคนเขาไม่ทำตามใจเราหรือเมื่อมีคนที่ดีกว่าเราความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นหละจะเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลัง อ, อยู่ปัทาแล้วนะก็ทังนับปฏิบัติธรรมที่ไปเจอแรงกระทบอะไรต่างๆในสังคมวงกว้างหรือโลกภายนอกแล้ว แล้วทุกไม่อยากจะออกไปอีกอันนั้นแหละนะถ้าเรามองให้ดีนั่นแหละคือคือเครื่องบอกหรือสิ่งแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนหรือว่าอุ ป, ปทานของเราในความทุกข์นี้มันเป็นเป็นตัวชีวัดอย่างดีถึงกิเลสหรือว่าถึ ง, ถงตัวความยึดติดหรือว่าอัตตาของเราไม่มีตัวชีวัดอะไรจะดีกว่านั้น คนอื่นก็จะมองไม่เห็นนะแต่ว่าอาการแสดงออกเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานั่นแหละมันจะเป็นตัวชี้ให้เห็นเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาเจอแล้วนีอย่าไปหนีอย่าไปถอยอย่าไปอย่าไปทุกกับมันมองให้เห็นว่ามันมันมาจากตัวอุปท า, านหรือกิเลสส่วนไหนแล้วก็สาบไปให้ถึงแล้วก็ รู้ทันมันให้ได้อาจจะขุดอาจจะลืมมันลําบากแต่ก็เห็นมันรู้มันอันนั้นก็เป็ น, ปนตึกนั่นตนของการที่จะถอนลืมมันออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดนะแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญสําหรับปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่เชื่อในหลักของการทําความดีนั่นก็ พูดกันเท่า น, นี้พอสมกับการเวลากพัก้อ ก, กันอมตะสมุทรพระโพาิ์ภูเขาพระโพลังดาวผีวายเตยสุ瓦าโตพระวาตังธรรมโนนัมันนั่ สุกติปโนภาภวโตสาวาส mm hmm. ังโตสังันตาตาางมนมน